ก่อนที่จะปฏิบัติหรือก่อนที่จะเข้าสู่ที่ที่ตั้งของตัวให้สำรวจใจสักหน่อยนะว่าใจของเราเวางใจของเราโปร่งใจของเราคลาย มากน้อยแค่ไหนถ้าใจของเราโปร่งเบาเนี่การปฏิบัติก็จะเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเราทำด้วยความรู้สึกเครียดความรู้สึกเกรงความรู้สึกกลัวหรือว่ามีความอยาก สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้การปฏิบัติเป็นเรื่องยากให้หวางใจสบายๆมันจะฟุง้งมันจะเผลอมันจะพลาดก็ไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอทุกอย่างที่ฟุง้งทุกทุกอย่างที่เผลอพลาดไปอันนั้นมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว เราเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นได้ทุกครั้งอย่าไปหวนคิดว่าเมื่อกี้มันฟุ้งเพราะอะไรทำไมมันฟุง้งสะบัด ต, ตัดทิ้งไปเดินหน้าใหม่ลองสารวจใจของเรามีความอยากหรือเปล่า ความอยากก็เป็นอุปสรรคได้อยากให้ใจสงบความอยากตัวนี้จะทำให้เครียดง่ายเพราะว่าจิต ก, ก็จะจ้องจะเพ่งจะมีความรู้สึกอยากจะเอาชนะอยู่ลึกๆเอาชนะอะไรก็เอาชนะจิตใจเอาชนะกิเลสแต่ว่า เราก็จะเผลอจะพลังไม่หยุดไม่หย่นซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่มีความอยากพอเกิดความฟุ้งความเผลอก็จะเกิดความไม่พอใจถ้าเป็นอย่างนี้มากเข้ามาเข้าก็จะมุดหงิ ด, ดแล้วยิ่งงุดหนิดก็จะยิ่งไปเพ่งไปจ้อง ให้ควบคุมบังคับจิตมากขึ้นความเครียดก็จะตามมาและถ้ายังไม่ทอนถันความเครียดไม่ถอาความหงุดหงิดก็จะยิ่งเป็นหนักแล้วก็จะยิ่งรู้สึกว่าปฏิบัติไม่ได้ผลไม่สงบเลยมีแต่เครียดในสุดก็ท้อแท้หรือว่าไม่อยากปฏิบัติ ทั้งหมดนี้ก็เริ่มมาจากความความอยากที่ก่อตัวขึ้นมาในใจโดยที่ไม่รู้ทันความอยากก็เป็นธรรมดานะแต่ว่าถ้าเรารู้ทันมันก็ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้ให้ทำด้วยด้วยการด้วยใจที่โปร่งเบาสบาย ไม่มีความยากหรือว่าจะรู้สึกไปว่าทำเล่นๆก็ไดเ้เวลาเราทำอะไรเล่นๆมันจะพลาดมันจะเผลอเราก็ไม่ถือสาแต่ถ้าเราตั้งใจความพลังความเผลอก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องซีเรียสขึ้นมา เรื่องการปฏิบัติถ้าเรื่การเจริญสติมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเราไม่ต้องทําอะไรมากนอกจากเห็นมันเฉยๆหรือว่ารู้เฉยๆรู้อะไรก็รู้นะกายกับใจรู้อาการที่เกิดกับกายรู้อาการที่เกิดกับใจอะไรเกิดขึ้นก็นดีทั้งนั้นนะ ต้องมองอย่างนี้อย่าไปตัดสินอย่าไปเรื่องที่เราไม่ดีชังว่าถ้าสงบถึงดีถ้าฟุ้งไม่ดีหรือว่าถ้าโปร่งโล่งดีแต่ถ้าหงุดหงิดอันนี้ไม่ดีอันนั้นเป็นการตัดสินนันนั้นเป็นการให้ค่าซึ่งก็จะนาไปสู่การยินดียินไล ให้เรามองมองอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจหรือกายก็ตามเนี่ยไม่ว่าสุขหรือทุกข์โบรุลบมองเหมือนกับแม่ที่มองลูกนลูกก็มีหลายหลายนิสัยหลายบุ ค, คลิกเรามีลูกหลายคนแต่แม่ก็ ให้ความรักเท่าเทียมกันไม่เลือกที่รักมังที่ชังมองด้วยความเข้าใจว่าลูกบางคนเกเรเพราะอะไรแม่ก็ไม่ไปโวยวายใส่ลูกที่เกเรเพราะรู้ว่าทำเช่นนั้นไม่มีผลดีอารมณ์ต่างๆ ความคิต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบางกบางอย่างก็มีความรู้สึกดีๆบางครั้งก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ผักไสให้ความรู้สึกที่ไม่ดีหรือไม่ไปอี อ, อ๋อให้ความรู้สึกที่ดีๆนะไม่มีการเลือกที่รักมากที่ชัง นี่คือหน้าคือสิ่งที่การเจริญสติปัฏฐานเรียกร้องเราเท่านั้นเองก็คือว่าให้เห็นมันจะเผือจะพลั้งก็ไม่เป็นไรก็เพียงสัตวว่าเห็นอะไรเกิดขึ้นก็ก็ทํหน้านที่ได้แคเห็นถ้าเราเห็นมัน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นดีทั้งนั้นโกรธเกิดขึ้นที่ใจก็ดีนะถ้าเราเห็นหงุดหงิดเกิดขึ้นที่ใจก็ดีถ้าเราเห็ น, ญหญ น, ใ, หนในทางตรงข้ามมีความสงบ แต่ไม่เห็นความสงบนั้นความสงบนั้นก็กลายเป็นไม่ดีไปได้นะมีความดีใจจิตฟูเิเพลิพนกับดอกไม้อนนั้นถ้าไม่รู้นะไม่รู้ไม่เห็นก็กลายเป็นไม่ดีนะ น, นดีหรือไม่ดีนี่ไม่ได้อยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจของเราแต่อยู่ที่ว่าเรามีท่าทีกับมันอย่างไรอะไรไม่สาคัญเท่ากับว่าอย่างไรนะความโกรธเกิดขึ้นความโมโหเกิดขึ้นอ่เรารู้มัน อันนั้นแหละเรียกว่าดีได้คือเป็นสัมมาสมาธิหรือสัมมาสติสงบแต่ไม่รู้จมดิ่งไปในความสงบอันนั้นก็ถือว่าไม่ดีแต่พูดในแง่ของสติปัฏฐานหรือพูดนแง่ของวิปัสนานั้นก็อยากจะย้ำว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจไม่สำคัญทั้งก็ว่าเรา เกี่ยวข้องมันอย่างไรกับกายก็เหมือนกันนะสบายสบายกายแต่ไม่ไม่รู้ทันมันอันนั้นมันไม่ดีเท่ากับว่าเออมันทุกข์มันลําบากมันร้อนแต่รู้ทันเห็นมันอย่างนี้อย่างหลังนี้เรียกว่าดีดีในแง่ของวิปัสสนาในแง่ขงสติปัฏฐานเพาะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำแบบนี้แล้วก็การเปิดใจ ยอมรับทุกอย่างเปิดใจให้ทุกอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นทุกอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นกับใจทุกอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นกับกายร้อนหนาวก็ก็เปิดก็พร้อมจะยอมรับเย็นสบายหรือว่าอบอ้าว เราเปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้รู้เมื่อรู้แล้วสติและปัญญาก็เกิดอย่าไปปิดกั้นว่าอย่างนี้เกิดได้อย่างนี้จะไม่ให้เกิดเย็นสบายเข้ามาได้แต่ว่าถ้าไม่เย็นสบายถ้าเป็นอบอ้าวันไม่เอาหรือว่าสงบปิติที่ฉันเอาหงุดหงดฟุ้งซ่านฉันไม่เอา การปิดกั้นไม่ให้มีการปิดกั้นไม่ให้อะไรๆเกิดขึ้นได้กับใจเนี่ยหรืออะไรๆเกิดขึ้นได้กักายเนี่ยมันเป็นอุปสรรการปฏิบัติเพราะว่าก็เหมือนกับว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการเรียนรู้ของใจก็จะน้อยลงหรือว่ามันก็จะเป็นการปลูกปลูกนิสัยเลือกที่ระมักที่ชังให้กต่ติดใจ จึงเคยทำให้เกิดความดียินไลดได้ง่ายเพราะั้นให้เราเปิดเปิดชีวิตเปิดจิตของเราให้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้กับกายและใจเดังจากนั้นก็เปิดใจยอมรับสิ่งเหล่านี้ยอมรับรับรู้โดย ไม่เผลอไม่พลัง้งแต่ถ้าพลังพล้งล้วเผลอก็ไม่เป็นไรนะธรรมดากายและใจในการปฏิบัติก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็เพียงแต่รู้มันเฉยๆเมื่อเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าจะตัดความโกรธได้อย่างไร กานก็นตอบคนสาบตดไม่ได้หรอกความโกรธสิ่งที่สิ่งที่ทำได้คือก็รู้กันรู้ทันมันเมื่อรู้มันมันก็ดับไปนะแต่ทำไมเราถึงพยายามจะอยากจะตัดความโกรธนะก็เพราะว่ามีความชังมีความชังชังความโกรธก็เลย อยากจะตัดมันซึ่งก็ทาให้มันซึ่งก็ทากับปรุงให้มันเนี่ยมันลุกลามยืดยาวมากขึ้นลองสังเกตในสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราอยากจะให้มันหายไปไปไวเนี่ยเรากรบพูกผูกติดมันยึดติดมันมากขึ้นเวลามือเราถูก น้ำปลาหรือว่าอาจจะถูกสีหรือแม้งถูกขี้หมาเนี้ยเรามันเนแล้วก็ล้างล้างมือล้างมือเสร็จแล้วทำไงแล้วก็มือมาดมดม ม, มีกลินอยู่แล้วก็ล้างใหม่แล้วล้างเสร็จก็เอามาดมอีก ไม่ชอบปรินแต่กับยิ่งดมมันมากขึ้นยิ่งดมบ่อยยิ่งผลักใสายก็กับยิ่งยึดติดมันเหมือนกับว่าเบียบคือเหมือนกับเราเห็นรถขวางทางรถขวางทางเราก็จะผลักให้รถมันออกจากทางแต่ยิ่งผลักทีแรกยิ่งผลักก็เพื่อให้มันห่างไกลจากเรา แต่ตอนที่ดันเนี่ยตอนที่ดันรถมันหนักยิ่งดันมันเท่าไหร่ลําตัวของเราก็ยิ่งติดกับรถมากขึ้นเราต้องการพักมันให้ไกลแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าใกล้ชิดสนิทแน่นขนมากขึ้นอันนี้เราว่ายิ่งพักสก็ยิ่งยึดติดอารมณ์ที่เราไม่ชอบเรายิ่งพักไสมันก็ยิ่งยึดติดยิ่งผัวพันธุ เหมือนกับว่าติดกับดักของมันเราก็ต้องรู้ทันตรงนี้และสิ่งเดียวที่เราทำก็คือว่าเออรู้มันเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องไปผลักใสอารมณ์เหล่านั้ น, น, นดี๋ีวมันก็ดับไปเองให้เรามีความเป็นอุบเบกขา กับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือกับเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจไม่เลือกที่ละมัติจังเหมือนกับเราอยู่ริมทะเลอยู่บนชายหาดแล้วเราก็มอ ง, มองคลื่นคลื่นมันจะซัดมันจะสาอย่างไรเราก็เห็ น, นเฉยๆเราไม่เข้าไปไปโดดล่นไปเล่นคลื่นโตคลื่นด้วย เราไปโดดลงทะเลโต้คลื่นแล้วก็เปียบเราแค่เดินอยู่บนชายหาดมองคลื่นแต่ละลูกแต่ละลูกเข้ามาโดยไม่คิดจะเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องด้วยอันนี้นะคือการมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจแล้วความสงบก็จะมาได้ เกิดขึ้นเองนะโดยที่ไม่ต้องไปบังคับบัญชาหรไปกดข่มอะไรทั้งสิน้นดังนั้นสิ่งที่เราทํามีอย่างเดียวก็คือเห็นมันเมื่อเห็นแล้วก็ไม่ไม่เป็นเมื่อเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นแต่ถ้าเข้าไปเป็นแล้วลองลองออกมาเห็นมัน มันก็ไม่เป็นต่อไปมีคนนักปฏิบัติคนหนึ่งไปถามหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อขอตามาว่าทนยังไงดีหนูเครียดจังเลยหลวงพ่อบอกว่าท่านไปตอบท่านพูดว่าให้ถามให้ถูกถามใหม่เขาก็ได้คิดกันเลยพูดกับหลวงพ่อว่าทำยังไงดีหลวงพ่อหนู เห็นความเครียดมันเกิดขึ้นในใจหนูเครียดจังเลยกับหนูเห็นความเครียดเกิดขึ้นในใจนี่มันต่างกันถ้าหนูเครียดจังเลยอันนี้นี่ก็เป็นแล้วแต่ถ้าหนูเห็นความเครียดเกิดขึ้นในใจนี่เลยว่าผู้เป็นไม่มีมันมีแต่อักมันมีแต่การเห็นเมื่อเห็นแล้วความเครียดก็ทำอะไรไม่ได้ กับกลายเป็นของดีคือเป็นวัตถุในการในการฝึกจิตให้มีสติกลับเป็นวัตถุในการสอนทำให้เห็นถึงความเกิดดับเห็นไตรลักษณ์โกรธก็ดีถ้าเห็นถ้ารู้เพราะความโกรธก็จะสอนไตรลักษณ์เกลียดก็ดีถ้าเห็นมันเกิดขึ้นเพราะนั่นก็สอนให้เราเห็นไตรลักษณ์แล้วก็เห็นตัวเอง เศร้าก็ดีถ้าเราเห็นเพราะนั่นเท่ากับเขากำลังสอนใจรักให้เราดีใจอันนั้นไม่ดีถ้าไม่เห็นปิติปราโมดถ้าไม่เห็นมันก็ไม่ดี ล, ลองลองลองเปิดใจเปิดชีวิตของเรารับรู้ เรียกว่าเปิดโอกาสให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้นอดเพียงแต่ตั้งหลักเป็นผู้เป็นเป็นเป็นผู้รู้เท่านั้นหรือว่าตั้งมั่นเป็นผู้รู้อะไรจะด่าหน้าเข้ามาฉันรู้อย่างเดียวฉันเห็นอย่างเดียวพอแค่เท่านี้แหละที่ที่เป็นการปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน จะเรียกว่าง่ายก็ง่ายแต่ยากเพราะว่าเราไม่ไม่ชอบที่จะเป็นแค่ผู้รู้หรือผู้เห็นแต่เราชอบเข้าไปบังคับกําหนดกฎเกณฑ์ควบคุมบัญชาสิ่งต่างๆสุดท้ายเรากลายเป็นผู้ที่ตกเป็นท่าของความยึดติดยิ่งผลักออกไปก็ยิ่งยึดติดแล้วก็เลยมีความเป็นก็เลยทุกข์ เราก็ลองลองปฏิบัตนะิอย่างนี้ดูบ้างนะเดี๋ยวคุณช่วยจ ะ, ะจะชี้แจงนะเพื่อเราการเตรียมตัวสุรการไปโรงพยาบาลเที่ยงนี้นะเชิญ